โอกาสต่อไปนี้เป็นโอกาสที่จะได้เป็นระายธรรมและจะได้ฟังธรรมตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของศาสดาซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาธรรมะที่จะออกสู่ท่านทั้งหลาย ในวันนี้ใครใครที่จะขอเช่นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอันเกี่ยวกับเรื่องทีพิตจมวัน <c oughs> ในฐานะที่เราเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสด า, ษาเราอาจจะเข้าใจคําสอนของสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าดีพอสมควร บางทีเราอาจจะสงสัยแปลงใจว่า ท, ทั้งที่เรารู้รนั่นแหละแล้วเราจะเอาธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติเพื่อจะให้ได้ชีวิตให้ได้ประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงดังนั้นก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังก่อนว่า พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปลานิอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจในเมื่อเราเข้าใจในพุทธประสงค์ว่าพระพุทธองค์สอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณิเมื่อเราติดที่จะสร้างความรักความเมตตาปราณิ ตามพระโอวาทของพระพุทธองค์เราจะยึดเอาธรรมะข้อไหนเป็นหลักในการปฏิบัติหลักธรรมะที่เราจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติในเบื้องต้นก็คือคำสั่งของพระพุทธองค์มีอยู่5้าะกาัน ครบทั้งที่ข่าวพุทธเราประกอบกองการกุศลจะให้ทานจะฟังเทศจะต้องสมาทานสีทีนี้ก่อนหน้าที่เราจะได้สมาทานสีนห้าข้อเราจะต้องปฏิญญาตนถึงผู้เป็นพระบรมาศาสตราอนโดยเราปฏิญาณตนว่าพุทธังสรนังคัฒมิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกซึ่งในขณะที่เรากล่าวคำคจิยญญานตนตนถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะถ้าสมมติว่าพระพุทธองค์มาประทับนั่งอยู่ต่อหน้าเราหรือหากข้าพเจ้าท่านผูดได้บางทีท่านอาจจะถามเราว่า จะเอาจริงหรือจะย็ดเราเป็นศาสดาเป็นครูสอนเป็นสาระจริงหรือถ้าเราตอบว่าเอาจริงพระเจ้าค่ะถ้าจะเอาจริงแล้วปฏิบัติตามคาสั่งของเราได้ไหมคาสั่งของพระองค์ท่านคืออะไรคาสั่งของเราก็คือศีลห้าข้อที่ได้สมท า, านไปแล้วนั่นอย่างไร ถ้าพอได้กินแล้วท่านผู้ใดว่าไม่ไหวแล้วปฏิบัติไม่ได้พระองค์ก็จะบอกว่าช่วยไม่ได้เหมือนกันทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าหลักที่เราจะยึดเป็นหลักปฏิบัติเอาดีกับพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็คือศีลห้าก็เท่านั้น พระศียรห้าข้อนี้มันเป็นคุ ณ, ณธรรมที่เป็นแนวทางที่ให้เราสร้างความรักในเมื่อเรามีศียรห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์เราก็มีแต่ความรักความรักเมื่อมันละเอียดผ่อนลงไปมันก็กลายเป็นความเมตตาปราณีหนักใจไหม ว่าการที่เราจะมารักษสานสีนาน่หนักใจหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วไม่มีสิ่งใดที่น่าหนักใจถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีความจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์กัดชีวิตประกอบอาหารเรี่ยงชีวิตตามปกติก็เอิญตารสบาย แต่ถ้าอยากจะมีศีลท้ากับเขาหรืออยากปฏิบัติสมาศีลท้าเพื่อเป็นโมนฐานสำหรับสร้างความรักความเมตตาขอให้ตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเพื่อว่ามนุษย์ทั้นจะไม่ขา่าไม่เบียเดเบียนไม่คมเหงไม่รังแกไม่อิกขาตารอน ใครมีความจำเป็นจะต้องข้าสัตว์ประกอบอาหารเลี้ยงชีวิตเทินตามสบายแต่ว่ามนุษย์จะได้แต่ต้องให้เราพยายามสร้างความรับวามแมตตากรานีในมนุษย์ให้มันสมบูรณ์เตียงพอการธรรมดาการสร้างคุณงามความดีถ้าเราสร้างกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนมันจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกปีทุกที เมื่อพลังแห่งความดีมันต้อมมันจะแผ่คลุมไปถึงสัตย์เดรัจฉานเองแล้วในที่สุดสัตย์เดรัจานเราก็จะฆ่าไม่ได้เอากันอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าท่านที่จะไปคิดว่าไม่ไหวไม่ไหวฆ่าเดียวทำไมเราเราจึงจำเป็นต้องรักษาศีลห้าในระดับมนุษย์ เพราะศีลห้าเป็นกฎหมายปกครองบ้านเมืองท่านผู้รู้ทั้งหลายลองพิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันในเมื่อเรามีศีลห้าแล้วมันจะเป็นคุณธ ร, รรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันจริงหรือไม่จริงลองพิจารณาดู ในการฆ่ามันผิดศีนห้าหข้อไหนผิดข้อตาณาธฏิบัติในเมื่อเราก็เส้นจากการฆ่าการเบียเดเบียนคมเหงรังแก่อธาริษยามันก็เป็นคุณธรรมที่ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขสงบ สรรการแลกศลีนข้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันข้อที่สองเป็นคุณธรรมตัดทอน ผ, ผลเพิ่มของบาป ก, กรรมข้อที่สามบันพนกำลังกิเลสโลภโลกรดหลงในฝ่ายทั่วให้น้อยลงหรือหมดไปข้อที่สี่ หลักเพื่นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ข้อที่ห้าเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมข้อที่หกเป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดกระบอกการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยนั้นอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษย์น โทะที่มีเสียนฆ่าย่อมเคารพหมดทุกผิดทีเสถิในการดำรงที่อยู่เสถิในการครอบครองทรัพย์สมบัติเทถิในคู่ครองและอุคคลผู้ต้องทำและผิดที่อื่นๆครอบจักรบาลไปหมดเพราะฉะนั้นการทำผิดศสียนฆาข้อใดข้อหนึ่งนั้นอยู่ในขายแห่งโทษอาญาทางนั้นเช่นอย่างการฆ่า ฆ่ามนุษย์ผิดกฎหมายอาญาข่าสัตว์ที่เขาเลี้ยงที่นีเจ้าของผิดกฎหมายอาญาการลักขโมยก็ผิดกฎหมายอาญาล่วงละเมิดสาเวณีของกันและกันก็ผิดกฎหมายอาญากหกหล่อปลวกก็ผิดกฎหมายอาญาต้มเล่าเทื่อนขายก็ผิดกฎหมายอาญา เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาพิจารณาดูให้ซึ้งแล้วกฎหมายปกครองบ้านเมืองเรานี่ถ้าเรามายึดศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติดำเนินตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไยตยโดยสมบูรณ์อันนี้คือประโยชน์ของการรักษาศีลห้าที่เราจะปึงได้ในปัจจุบัน สีเลนะสุขะิงยันติรักษาศีลแล้วไปสู่สุขติทีนี้พอเราเราได้ยินคาว่ารักษาศีลแล้วไปสู่สุขติเจตใจเรามักจะมุ่งถึงสวรรค์ขันฟ้าแต่เราเราลืมนึกถึงผลประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าเราควรจะได้อะไรสีเลนะสุขะิงยันติ สแปลว่าดีงามง่ายคติแปลว่าทางเดินหรือทางดำเดนินยันติแปลว่าไปเพราะฉะนั้นผู้มีศีลจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสุขติยันติเพราะอะไรเพราะผู้มีศีลไปก็ก็ไปดีมาก็มาดีอยู่ก็อยู่ดีไปที่ไหน อยู่ที่ไหนทำประโยชน์ให้เกิดแก่ที่นั่นเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงอันนี้คือสีเลนะตุกเจิงยันติเรื่องสวรรค์เอาไว้คุยกันทีหลังเอากันในปัจจุบันที่เรามองเห็นได้ชัดๆนี้เราจะมองเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการรักษา ศ, า ศ, าศาีลสีเลนะโคลกสัมปทารักษาศีล จะถึงพร้อมโวยขอสมบัติก็เพราะศีลเนื่องจากการทําความเข้าใจในหลักคําสอนไม่กระจ่างเราจึงไปเข้าใจว่าใครรักษาสีลแล้วทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาไม่ต้องทําอะไรก็มีทรัพย์สมบัติมีอยู่มีฐานไปเข้าใจกันซะอย่างนั้นทีนี้สีเลนะ่าโกคสัมปทาตามความหมายถ้ามีศีลแล้วทรัพสมบัติ ใครมีอะไรเอาไปวางไว้ที่ไหนมันก็ไม่เกิดภัยอันตรายโจนผู้ไร้ก็ไม่มีไม่มีใครรักถุขทรัพย์สมบัติไม่เสียหายมันก็ถึงพร้อมมีเท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านั้นนอกจากตัวเองจะนำไปใช้สอยเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นส่วนจรขโมยที่จะมาที้ปนโขกรักนั้นไม่มีเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องประกปรานความปลอดภัย ีสลนะนิปพปติงยันติมีสีแล้วถึงซึ่งความดับสนิทแต่นักศึกษาธรรมะทั้งหลายนี่สเสลนะเนปพปติงยันติจะถึงความดับอย่างยิ่งคือพระนิพพานก็เพราะสียทีนี้เมื่อเราฟังแล้วเทียงแต่ฟังคำว่านิพพานเท่านั้นเราก็ท้อใจซะแล้ว หรือบางทีเราอาจจะนึกสนุกนึกในใจว่าเรายังนึกอยากจะสนุกอยู่ในโลกนี้เรายังไม่อยากไปพนิพนา์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่พอใจที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจเสียว่าสีเลทะสุขจิงยันติความผูกพยาบาทอาฆาตเขียดแค้นจองร่างจองสารจองเรนซึ่งกันและกัน มันจะรดับหลักหลักมันจะดับสติลลงไปได้ก็เพราะอำนาจของศีลหมายถึงว่าเราเองไม่ได้ไปก่อกรรมทำเข็นให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปทุกขไปตีใครไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปลับศพทรัพย์สมบัติของใครไม่ได้ไปก้นพ่อโค้งใครเราก็มีความอกุ่นใจก็เรามีศีล ความอบอุ่นใจนั่นแหละคือวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจเมื่อใจมีที่อยู่ที่อาศัยมีความอบอุ่นเพราะคุณธรรมโชคเช่งทุกอย่างมันก็ดับดับภัยดับเบนดับการพระยาบาดอาฆาตเกลียดแค้นสังคมของเราบ้านเมืองของเราก็จะพากันอยู่เย็นเป็นสุขเพราะอำนาจของศีล อันนี้คือการรักษาสีธาเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดกรุณาพิจารณาให้มันซึ้งซึงเกี่ยวกับการเรียนการปฏิบัติธรรมะพุทธบริษัทในเมืองไทยเรานี่บางท่านก็ยังเข้าใจผิดในคำสอนของพระพุทธองค์ เช่นบางท่านไปกล่าวว่าธรรมะบางข้อในทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ก็ไม่ควรนำมาสอนชาวบ้านเพราะจะทำให้ชาวบ้านทั้งหลายที่เกียดกอมือกอเท้าเช่นคำว่าสันโดษมากน้อยเป็นต้นอันนี้เราก็จะอยู่ความหมายคำว่าสันโดษมากน้อย เพียดไปแต่ส่วนใหญ่เรามักจะพูดเตลิดไปถึงว่าพอพูดพูดถึงสันโดษแล้วเราก็จะเตลิดไปถึงคำว่ามักน้อยแต่ความจริงสันโดษกับมักน้อยมันคนละอันมันไม่ใช่อันเดียวกันสันโดษแปล ว, ว่าความพอพอนี่เราจะต้องทำความเข้าใจกันอีกพอในสิ่งที่เรามีอยู่ หมายถึงสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราท่านหมายถึงพออย่างนี้ที่นี่สิ่งที่เรามีอยู่ทรัพย์สมบัติวิชาความรู้ความสามารถสมรรถภาพในการทำงานท่านจึงมีการจำแนกเรื่องของสัญญุนโดดเอาไว้ว่า ยถาภละสันโดษพอใจตามกำลังของตนเองยาาถาสทารสันโดษพอใจในสามีภรรยาของตนเองทีนี้ยถาภละสันโดษนี่ก็ควรจะทำความเข้าใจภละแปลว่ากำลัง กำลังแห่งความรู้กำลังแห่งความสามารถความสามารถของเรามีเพียงใดแค่ไหนเราจะแสดงออกมาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์มากน้อยเพียงใดแต่การสแสวงหาของเรานั้นไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายมันไม่ได้จิดสันตุเพราะฉะนั้นจึงขอย้อนกลับไปกล่าวถึง ข้อที่ว่าเซนห้าแก้มขอบเกศของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมเราไปฟังเทศพระองค์ไหนหรือนิมนต์ท่านผู้ใดมาปาสกถาธรรมในสมาคมนี้บางทีเราอาจจะได้ยินว่าพระท่านสอนให้เราละความโลภความโกรธความหลงโอภโกรธหลงนี่มันเป็นกิเลสที่ดร้ายเป็นข้อมูลเป็นมูลเหตุให้ กิเลสต่างๆเพราะฉะนั้นญาติโยมจงละมันเสียอย่าเอามันไว้ในเมื่อเราฟังฟังแล้วเราก็อยากละอยากจะละลก็โลดโปรดหลงถ้ามันแสดงเล็กของมันรุนแรงขึ้นมาเราจะเป็นทุกข์ใจเมื่อพระท่านบอกให้เราละเราก็อยากจะละแต่มันเป็นภาละจำยอมเราละมันไม่ได้ ในเมื่อเราละมันไม่ได้เราทำอย่างนี้ดีไหมเกเรล่อปลดสองนี่มันเปรียบเหมือนไฟไฟมีคนมหันมีโทษก็อ น, นันต์ทีนี้ถ้าหากว่าใครสติปัญญาอ่อนใช้ไฟไม่เป็นเกิดอุบัติเหตุเผาบ้านเผาเรือนแต่ถ้าหากว่าท่านโพดามีสติปัญญาสามารถที่จะใช้ไฟให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล เช่นอย่างบางคนเขาสามารถใช้กำลังไฟสร้างจรวดไปลงดวงดาวดวงเดอนได้อันนั้นคือประโยชน์ของไฟแต่ถ้าว่าใช้ผิดเพียงเล็กเดียวมันจะเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยก็ทำให้ตัวเองต้องเสียชีวิตเช่นอย่างไฟป้าเซนตต้ น, นสำหรับเิเรก็ในไทยในทำลองเดียวกัน กิเลสโลภะโกรธหงมีโทษก็อ น, นันต์มีคุณก็มหันแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดปล่อยให้กิเลสโลภโกรธหลงมันพาไปทําบาปทําความทั่วมันก็เกิดความเสียหายนอกจากจะเป็นความเสียหายส่วนตัวแล้วยังต้องทําให้สังคมต้องพินาศเสียหายไปด้วยตลอดทั้งประเทศชาติบ้านเมือง อเ น, น่จะโทษที่ใช้กิเลสให้ผูกทางเพราะฉะนั้นปัจเหตุที่กิเลสนี่มันยังมีประโยชน์สําหรับประชาชนพระพุทธเจ้าจึงตีเส้นตายเอาไว้ว่าใครจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่ากระโดดข้ามเส้นขนานนี้เส้นขนาด น, นี้ก็คือศียรห้าข้อนั่นเอง กิเลสโต้โปรดลงมีอยู่ในใจเราเอาให้มันกระตุ้นเตือนใจให้เกิดความถัเถ่เยอทายานในความอยากดได้อยากตีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่มวมนุษย์ทั้งหลายพากันต้องการอยู่นี่มันมีอยู่เพียงห้าอย่างเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังหนึ่งลาบได้แก่ผลประโยชน์สองยศได้แก่ตำแหน่งหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักด์ สามสันเสริญเื่อเสียงที่ดีงามสี่ความสุขห้าอำนาจ 5. ้าอย่างนี้ทุกคนมีสิที่เสรีภาพในการแสวงหาแต่ว่าการแสวงหาก็ควรจะมีข้อบกิดขอกับแกที่แน่นอนที่สุดก็คือศีลหา้าขอใครมีกิเลสมากต้อยเพียงดันใดนถ้าเราแสวงหาผล ป, ประโยชน์ชนทางทางกลา่า ถ้าหากไม่ละเมิดร่วงเกินสินท้าข้อใดข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิว่าเราเป็นผู้กระพฤตไม่ดีกลับจะยกย่องสรัรนสนใช่อีกว่าเป็นคนฉลาดให้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมได้เรามีหลักฐานที่จะยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบัน ท่านให้ยึดหลักธรรมสี่ข้อเป็นหลักปฏิบัติหนึ่งอทานะสัมปทาจงมันขยันในการแสวงหาผลประโยชน์คือทรัพย์สมบัติข้อที่สองอาระคะสัมปทาจงรู้จั ก, จกรักษาทรัพย์สมบัติไม่ให้สูญเสียโดยไม่มีเหตุผลข้อที่สามกัลยานามิมตตา เมื่อมีทรัพย์สมบัติพร้อมมียศถาบรรดาศักพร้อมมีอำนาจสนับสนุนพระ อ, องค์สอนให้สร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขารักเคารพนับถือบูชาจะได้เป็มกําลังรักษาชีวิตในทรัพย์สมบัติไม่ให้เสื่อมสูนอันตราทานข้อที่ห้าสมะชีพิทาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดชนบริวารให้มีความสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะอันนี้หลักท่านสอนไว้อย่างนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันให้เราทำความเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราละกิเลสถ่ายเดียวแต่ว่าสอนให้ละนั่นแ่ละละแต่เมื่อเราละไม่ได้เราต้องหาเอาประโยชน์ จากอำนาจของกิเลสโดยความเป็นธรรมเราจะเล่นขอท่านผู้ฟังทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจํำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีถ้าบางทีเราเข้าใจไม่จแจ่มแจ้งเราอาจจะสงสัยว่าทำไมพระพุทธองค์สอนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเพื่อ จะสร้างความสุขความสบายให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมตลอดทั้งประเทศชาติถ้าจะเอาหลักขันตอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติมันก็คือศีลห้านั่นแหละเป็นหลักที่ตายตัวได้แน่นอนที่สุดในปัจจุบันนี้บ้านเมืองเรากำลังร่ำร้องห า, ป, ทาทประชาธิปไตย วันนี้มีนิสิตนักศึกษามาฟังกันจำนวนมากใครที่จะพูดถึงแนวทางประชาธีปะไะใจของพระประชาธีประใจของพระนี่บางทีมันอาจจะไม่ตรงกับประชาธีประใจของคลวาดประชาธีประใจของคลุวาดหมายถึงการรวมกลุ่มรวมกลุ่มกัน เช่นอย่างเราไม่ชอบเจ้านายผู้ปกครองบ้านเมืองท่านไดหรือไม่ชอบหัวหน้าแผนกการไดผู้ใจบังคับบัญชาก็มารวมหัวกันเดินขบวนขับไล่แต่ว่าท่านทั้งหลายนั่นเข้าใจว่านั่นคือประชาที่ปไตัยแต่ว่าความเข้าใจของประชาธิปไตยแบบพระนั่นคือกา ร, รเผด็จการหมู่ เมื่อไม่ชอบที่หน้าใครก็รวมหัวกันขับไล่คนงามความดีเขาสร้างกันมาล้นโลกไม่มีความหมายอันนี้พระเห็นว่ายังไม่เข้าแใ่ประชาชิปยัยของพระนี่สำหรับนักเกรยียนนักศึกษาทั้งหลายควรจะได้ทำความเข้าใจอย่างนี้ปัจจุบั น, นีนพลก คนพ่อคนแม่ส่งเรามาเรียนตั้งใจเรียนเรียนให้มันจบพอเรียนจบในในระดับที่เราต้องการจบปริญญาโทอีกในมาจบแล้วเรียกไปหางานทำในมาทำงานได้มีรายได้ก่อนอื่นให้ถามคนพ่อคนแม่ก่อน ไปจำลองจำลำเอาเงินมาส่งพวกเราเรียนถ้าใครไม่มีก็แล้วไปแต่ว่าถ้าของใครมีรีธิเก็บพ ร, ร้อมลอมฤตไถ่ถอนทรัพย์สมบัติคื่อให้คุณพ่อคุณแม่ให้หมดอันนี้เคยจุดเริ่มประชาธิปที่ปฐา จ, จุดแรกของพระทีนี้เมื่อหมดธุระอันนี้แล้วฤทธิ์เก็บพร้อมรอ ม, รออรรอมอรัว ในเมื่อเรามีครอบครัวแต่งงานแต่งการถ้าเราสามารถมีที่ดินเป็นของของตนมีบ้านเป็นของของตนมีรถจนนั่งไปทํางานมีรายได้พอที่จะเลี้ยงตนและครอบครัวมีเหลือเก็บตั้งเราเก็บสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้สร้างฐานะของตนเองให้มีความมั่นคงมีบ้านมีช่องมีเงินมีทองมีคนรับใช่รับถอย ในเมื่อเราสร้างฐานะของเราให้มีความสมบูรณ์เต็มที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครเราก็เป็นใหญ่ไปเป็นใหญ่ใครเป็นใหญ่เราเองก็สิเรามีฐานะดีเราก็เป็นใหญ่เป็นอาษษษทิตย์ใแก่ตัวเอง ทีนี้ในเมื่อเราหลายๆครอบครัวที่มีหลักมีฐานมั่นคงดีรวมกันเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดล้วนแต่แต่ผู้มีฐานะดีๆีกันทั้งนั้นช่วยตัวเองได้รัฐบาลหายหัวไม่ต้องนำของไปจกดบ้านเมืองเราก็เต็มปไปด้วยบุคคลผู้เป็นใหญ่เป็นอิสระ หลายๆครอบครัวที่มีหลักฐานมั่นคงรวมกันเข้าเป็นหมู่เป็นพวกก็เป็นประชาถ้าเป็นหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านประชาที่ประจัยเป็นตำบลก็ตำบลประชาที่ประจยเป็นอำเภอก็อำเภอประชาที่ประจยเป็นจังหวัดก็จังหวัดประชาที่ประจัยเป็นประเทศก็เป็นประเทศประชาที่ประจยเพราะมีแต่คนเป็นใหญ่ เป็นใหญ่เป็นอิสระช่วยตัวเองได้ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปเป็นเจ้าเป็นนายไปอันนี้คือหลักประชาริปใจการสร้างประชาริปใจของพระมันเป็นอย่างนี้เข็ดถูกอย่างไรขอฝากนักนิสิตนักศึกษาทั้งหลายและท่านผู้รู้ทั้งหลายเอาไปพิจารณาที่ได้กล่าวมาในตอนต้นนั้นเป็นประโยชน์ของการรักษาศีลห้า แล้วเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ยึดเป็นแนวทางสําหรับสร้างความรักคันเมตตากรณีเมื่อเรารักษาศรรีลหาแม้ในระดับของมนุษย์นี่ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราพยายามนึกเส ม, มอว่าบ่ายพระโสดมนข้าวเย็นเรานึกเส ม, มอว่าขอเพื่อนมนุษย์ของเรานี่จงมีสุขกายสุขใจจะได้เรียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้้นไข่ทั้งปวงเถิด อันนี้คือการปฏิบัติศีนห้าเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ต้องไปกล่าวถึงสวรรค์นิพพานอะไรไว้ก่อนอันนั้นเอาไว้คุยกันปีหลังเรามาช่วยกันกลับเพื่อนฐานระดับนี้ให้มันสมบูรณ์ดีอันนี้มันเป็นเพื่อนฐานที่รองรับคณนัธรรมเบื้องสูงขึ้นไปมีเยนห้าแล้วเราก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ นี่เราโมใจว่าเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แต่บางทีเราก็เริมนึกเริมนึกถึงตัวเองในบางครั้งบางขณะเอาละจะขอถือโอกาสพูดถึงหลักการพิจรารณาตนว่าเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือเปล่าเรามีหลักที่จะพึ่งให้ท่านพิจารณาอยู่สี่ข้อข้อหนึ่ง ในขณะใดที่จิตใจของเราเกิดโอเทียมหรือโกรธจัดอยากจะคิดทำอะไรตามอำเภอใจนึกจะฆ่าฆ่านึกจะแย่งจริงแย่งจริงแล้วไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ติดใจของเรา ลดระดับต่ำลงไปถ้าศีนถ้าขาดข้อหนึ่งมันลดระดับต่ำลงไปกลายเป็น ม, น, มนุษย์แต่ใจเป็นอย่างอื่นในขณะใดจิตใจของเรามีความเมตตาปราณีดีมีความเอื่อเพื่อเผื่อแผ่เห็นอกเขาอกเราในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์จิตใจของเราก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ ในขณะใดจิตใจของเรามีเหลุความละอายบาปโอตะปะตะตุ้งกลัวต่อบากไม่กล้าทำบาปทั้งในที่รับและในที่แจ้งขณะนั้นใจของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นเทวดาถ้าขณะใดาเราบรรเป็นสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเมกบาเป็นจิตพุทธะ ในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นพระพรหมพระพรหมแปลว่าผู้มีจิตใจสว่างไสวอันนี้คือหลักที่เราจะใช้เป็นหลักพิจรารณาตนเองว่าเราเป็นอะไรในขณะปัจจุบันนี้แล้วเราก็รู้แล้วเราก็พยายามปรับระดับจิตใจของเราเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่เป็นมนุษย์เป็นอย่างต่ำ สูงขึ้นไปก็เป็นเทวดาเป็นพระพรกเมื่อเป็นเช่นนั้นสังคมของเราก็จะมีแต่ความสุขความสบายการปฏิบัติธรรมเจาดีกับพระุพธิเจ้าสำคัญอยู่ที่ศีลเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสมาธิภาวนานี่ใครจะทำได้ดีพิเศษไปถึงไหนแต่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะ ประกันความปลอดภัยของสีบิตได้เราจ ะ, ะนั่นพระพุเทธเจ้าบัณฑิตทั้นจึงว่าตัตมาะทิเตตหลังบีโตทัยเดีเพราะจะนั่นสาธุชนพึงทำละศีลให้บริสุทธิ์เอาเทีานี้ในอันดับต่อไปนี้จะได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิภาวนาบ้างละ การปฏิบัติสมาธิภาวนาในขณะนี้ท่านก็ได้ปฏิบัติสมาธิอยู่แล้วในขณะที่เราตั้งใจกำหนดฟังฟังพระท่านเทศน์ฟังพระท่านบรรยายเรามีสติ จ, จดจ่อรู้อยู่ที่จิตของเราใจของเราหรือจดจ่อต่อการฟังเราก็ได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลาที่พระได้บรรยายทำมา รอยชัลลันการทำสมาธิก็คือการการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอะไรก็ได้หลักการปฏิบัติสมาธิซึ่งเรียกว่าแบบสากกคำว่าปฏิบัติสมาธิแบบสากกที่เราไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องไปเดินจงกรมไม่ต้องไปยกครูกรรมฐานเอากันอย่างนี้ เดินเดินนั่งนอนรับพานดื่มทำพูดคิดเป็นเรื่องทีวิตประจำวันแล้วเป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งละลึกของสติโคสมัครใจจะปฏิบัติสมาธิ จงกำหนดติดให้มีสติรู้พร้อมอยู่กับการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจ <c oughs> นอกจากเวลาเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดในเมื่อเรานอนลงไปถ้าจิตของเราคิดอะไรปล่อยให้มันคิดไปแต่ต้องมีสติกำหนดตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับ ปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันแล้วในที่สุดท่านจะได้สมาธิในขณะนอนหลับพอนอนหลับลงไปจิตมันจะนิ่งสว่างปัญหาอันใดที่ยังข้องใจอยู่ในเมื่อกลางวันที่เราแก้ไม่ตกจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตจิตจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นนั้น ซึ่งมีรักษณะเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่ว่าแก้ปัญหาตกอันนี้คือเรื่องของสมาธิทั้งนั้นเป็นการปฏิบัติสมาธิแบบสากลโดยไม่มีพิธีรีตองอันใดเพื่อให้ประยุกต์กับสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาแล้วท่านผู้ที่เรียนจบปริญญาสูงสูงมาแล้ว หรือในเสร็จนักศึกษาซึ่งกําลังเรียนอยู่ในปัจจุบันก็ได้ผ่านการปฏิบัติสมาธิมาแล้วทั้งนั้นในขณะท่านที่ท่านวิจัยงานของท่านในขณะที่ท่านเรียนท่านมีวิจัยวิชาความรู้มีวิจัยงานนอกจากจะใช้ความคิดและเหตุผลตามหลักวิชาที่ท่านเรียนรู้มาท่านยังต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยด้วย ในขณะที่ท่านคิดวกไปเวียนมาวกไปเวียนมาพอเผลอๆเจตมันว่างลงนิดหนึ่งสิ่งที่ท่านต้องการรู้มันผุดขึ้นมาเป็นความรู้อันนั่นคือสมาธิปัญญาหรือปัญญาในสมาธิผู้ทปฏิบัติสมาธิเก่งที่สุดใ น, ใน<อ>โลกปัจจุบันที่เรารู้รู้กันนี่คือใส นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คนที่คนคิดสร้างจรวดไปลงดวงจันทร์คนนั้นก็ยังไม่เก่งแต่คนที่เก่งที่สุดคือคนที่คำนวณระยะเวลากับความเร็วของจรวดตัวเล็กที่ไปลงดวงจันทร์แล้วก็โดดกลับมาเกาะยานแม่ลงสู่มนุษย์โลกนายคนนี้เก่งที่สุดถ้าหากว่านายคนนี้คำนวณเกตเตียงเซี่ยววิดาดี จะตรวตัวเลขจะเกาะยานแม่ไม่ถูกจะไม่มีโอกาสลงมาสู่มนุษย์สรุปจะลอยแฝงฟางอยู่บน อ, บนอวกาศนี่สองคนนี่นะ่ะเป็นคนที่ปฏิบัติสมาธิเก่งที่สุดที่นี่ในบ้านเมืองเรานี่เราจะมาถกเสียงกันอยู่เพียงแต่หลักวิธีการเท่านั้นมันไปไหนไม่รอด ฝรั่งเข้าไปถึงดวงจันทร์ดวงดาวกันแล้วเรายังมาเสียงกันอยู่เฉพาะยบหนอฟองหนอโพธโอสัมมาระหังในเสร็จนักศึกษาซึ่งกำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าท่านอยากจะเรียนหนังสือเก่งเวลาท่านเข้าห้องเรียนเวลาอาจารย์มาสอนพออาจารย์มาเืนหน้าห้องให้ท่านมองจ้องที่ตัวอาจารย์ ส่องใจไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์จะให้สายตาและใจไปอื่นปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันที่มีอาจารย์มาสอนถ้าท่านปฏิบัติต่ อ, ตอเนื่องกันทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาสอนรับรองว่าท่านจะได้สมาธิในห้องเรียนสมาธิที่ท่านปฏิบัติในห้องเรียนเนี่ยจะสามารถรู้จนกระทั่งข้อสอบล่งหน้า ใ่ที่จะขอนำตัวจะนักศึกษาที่ทำสาเร็จมาแล้วคนหนึ่งเคยแนะนำให้เขาปฏิบัติเขาก็ไปปฏิบัติตามตั้งแต่เขาเริ่มเรียนระดับปริญญาตรีตอนแรกเขาเรียนไม่ค่อยเก่งภายหลังพอไปปฏิบัติสมาธิดังที่กล่าวเขาเก่งขึ้นทำให้เขาเรียนดีขึ้น ในตอนแรกๆสายตายและจิตไปจ้องมองอยู่ที่ตัวอาจารย์พอภายหลังพอมีพลังทางสมาธิทางสติดีขึ้นความรู้สึกทางใจมันยอดมาเตรียมป้อมอยู่ที่ตัวเองแต่สายตา ย, ยังจ้องมาตอนนี้อาจารย์อธิบายอะไรให้ฟังพออาจารย์พูดจบปั๊บหยุดหายใจเขาสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเวลาไปสอบพออ่านคัมภีร์จบ ใจมันโวกไปนิดหนึ่งคันสอบก็ปุดขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาไม่ต้องใช้ความคิดเวลาก่อนหน้าจะสอบใจมันบอกแล้วว่าข้อสอบจะออกที่ตรงนั้นตรงนั้นทีนหนังสือเล่มนั่นหน้านั้นแล้วพอพอไปสอบจริงเมันก็ออกมาจริงๆรงินักศึกษาคนนี้เมื่อเขาเรียนจบปริญญาโทไปสมัครสอบ แข่งขันจะไปเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้อสอบผ่านข้อเขียนผ่านไปยังเหลือสัมภาษณ์พอถึงวันที่จะสัมภาษณ์เขานั่งอยู่ที่บ้านเขาพอคิดขึ้นมาว่าวันนี้จะถูกสัมภาษณ์เรื่องอะไรคําถามมันก็โผล่ขึ้นมาคําตอบก็ปุดขึ้นมารับรู้ลงหน้าหมดทุกข้อพอไปถึงสนามสอบกรมการ พอกมาการถามปักตอบปุกถามปักตอบปุกบพ่อจบคนถามตอบได้ทันทีกรมาการท่านถามว่าทำไมหนูถึงได้เก่งนักหนูฝึกสมาธิในฝึกสมาธิที่ไหนสำนักใดตาหนูสอนสอนให้ฝึกในห้องเรียนแล้วผลมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ปฏิบัติได้ผลมาแล้ว เพราะฉะนั้นจึงขอย้ําอีกทีหนึ่งว่าในิสร็จการศึกษาที่ต้องการเรียนเก่งเมื่อเวลาอาจารย์มาสอนท่านมาเดินหน้าห้องให้มองจ้องที่ตัวอาจารย์ส่งใจไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์อย่าให้สายตาและใจไปอื่นให้จ้องมองอยู่อย่างนั้นมีอะไรจดรีบจดจดแล้วเล็กรมอง ปฏิบัติต่อนเนื่องกันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาบรรยายหรือมาสอนแล้วในที่สุดเราจะได้สมาธิสนับสนุนการเรียนการศึกษาของเราดีขึ้นทีนี้เมื่อเราเรียนจบเรายังจะได้ใช้พลังสมาธิอันนี้ไปเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีทีนี้การปฏิบัติสมาธิอันใดถ้ามันไปรู้สึกว่ามันไปขวางขวางกับเรื่องชีวิตประจาวันเนี่ยมันไม่ถูก พูปฏิบัติสมาธิได้แล้วเป็นแล้วเนี่ยจะต้องมีความรักเคารพบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราบอกว่าอย่านะลูกยดทันทีเขาจะไม่กล้าที่จะป่าปื้ดอันนี้ ได้ตัวอย่างจากบุคคลผู้ที่เขาปฏิบัติสำเร็จมาแล้วการปฏิบัติสมาธิไม่ได้มุ่งอยู่ที่ว่าเราจะต้องสร้างอิทธิฤทธิ์ให้เกิดความรู้อะไรต่างๆซึ่งตามมนุษยธรรมธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นโจทย์มุ่งหมายก็เพื่อจะสร้างพลังจิตของเราให้มีพลังสมาธิคือความมั่นคงพลังของสติสัมปชัญญะจนกระทั่งเกิดปัญญา